ครับทุสวัสดีครับหน้าตาไม่รับประกันแต่ความมันรับรองคุณภาพเห็นพวกเรานั่งฟังกันครับก็อักเลือดตายเนาะโชคดีมากที่เราเจอกันวันนี้จะโชคร้ายที่เราเจอกันท้าไปฟังไปเรื่อยแล้วรู้ว่าทําไมผลพืชประโยชนี้ความรู้ไม่แต่มันความคิดเชื่อผมฟันธงนี้คือืงจริงผมไม่ให้คุณค่าคนที่มีความรู้นะครับรู้แล้คิดไม่เป็นไม่เกิดประโยชน์ครับทุกวันนี้ประเทศชาติวุ่นวายไม่ขาดคนที่มีความรู้จะขาดคนที่คิดไม่เป็น ไม่เชื่อเรามาพิสูจน์กันว่าสิ่งที่คุณพูดจริงหรือเปล่าคำถามถามว่าเราใส่หมวกกันน็อกขับปัญญาใส่เราใส่หมวกกันน็อกขับปัญญาใส่ใส่เพื่อป้องกันอันตรายหรือใส่เพื่อประกันตํารวจขวี้ชีวิต <laughs> เราใส่หมวกกันน็อกไม่สนใจอันตรายก็ใส่เพราะเกรงใจตํารวจไม่เห็นตํารวจกูก็ไม่ใส่สัญญาณไฟจราจรมีกี่สีครับสมสีเขียวเหลืองและกรแดงเขียวหมายถึงไปได้เหลืองหมายถึงชะลอชะลอแล้วหยุดไหมไม่หยุดมึงชะลอทํำไม เขียวไปได้เหลืองไปเร็วแดงเร็วที่สุดขอตํารวจจับอย่าจับผมเลยจ่าผมเป่าฝ่าไฟแดงทํามใครก็รู้ครึ่งชมพูเกิดจะแดงยังไม่แดงเดมที่แดงเลี้ยเลถ้าสี่ร้อยก็เหลือ200ร้อยไปยังไม่แดงแปดจริงๆครับอบรมประชุมสัมนาไม่จำเป็นต้องเกณฑ์เด็กมานั่งหน้าผมเห็นหลายที่หมดเวลาไปครึ่งชมพกับการเกณฑ์เด็กมานั่งหน้านักเรียนนั่งหน้าให้เต็มก่อนนั่งหน้าจนตอนเดี๋ยวประธานม า, าภาพจะไม่สวยนั่งหน้าก่อนนั่งหน้าก่อนเพื่ออะไรอ่ะถ้าใช้วิธีการคิดไม่มีปัญหาครับ คิดยังไงครับเด็ก 3,000 คนจัดโต๊อี2อ0พพอยังไงแม่งก็เต็มแล้วที่เหลือเสริมเอา้าผมสอนเด็กที่มหาลัยผมสอนอยู่ที่มหาลัยเอเชียแคนดิผมสอนเด็กเพื่อไรเด็กไม่เคยนั่งหลังเด็กนั่งหน้าหมดทำไมจึงนั่งหน้าหมดครับผมสั่งแม่บ้านของมหาลัยติดกระดานไว้บอร์ดสด้านเด็กเดินก็มาไม่งงหน้าห้องทางไหนครับพอมันนั่งหลังเยอะผมเดินไปหลังห้องนักเรียนนี่คือหน้าห้องเด็กบอกตายหาคุณหน้าเลยเนะี่ย เห็นไหมครับความคิดสําคัญที่สุดครับถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตเปลี่ยนปกติเวลาผมบรรยายผมจะไม่ค่อยชอบใส่สูตรทําไมยังไม่ค่อยชอบใส่สูตรครับเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแต่วันนี้จะเป็นต้องใส่สูตรบรรยายทําไมต้องใส่สูตรบรรยายเดี๋ยวผมบรรยายเสร็จผมต้องกลับไปสอนต่อที่มหาลายัยวิชาที่ผมสอนคือวิชาออกแบบเครื่องจกักรกลเป็นวิชาคํานวณวิชาคํานวณมันต้องใช้สูตรออกเลยครับทำ <c oughs> ไมออกลองรีเซตใหม่เลยครับรีสตาร์ทใหม่เห็นไหมครับ ความรู้ไม่สำคัญการคิดผมจะบอกครับไอ้น้องครับสิ่งที่น้องเรียนไปตาำลับตำลาบางครั้งแทบเอาไปใช้ไม่ได้เลยในการทํางานนะครับมันต้องไปเริ่มต้นกันใหม่งนั้นผมถึงบอกไม่ได้หมายว่าเกจเฉลี่ยสามจดแปดสแล้วจะประสบความสําเร็จเสมอไปไม่จริงนะครับเด็กที่ผมสอนครับชื่อเล่นชื่อเพชรไอ้เพชรเรียนแบบดารานักร้องฉายามันคือเพชรเอฟห้คือ A ตัวเดียว F5 ตัวทุกวันนี้มันประสบคํามสเร็จเพราะความคิดครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับผมขับรถไปบรรยายนสุพรรณบุรีพอเข้าเขตสุพรรณจมีร้านขายกุ้งอยู่เพียบเลยแต่ละร้านก็ใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการแข่งขันที่แตกต่างกันมากครับแต่ร้านก็ใช้ความรู้เต็มที่เพื่อขายให้ได้ยอดขายมากสุดขับไปร้านแรกมีป้ายผ้าใบนิ่วติดหน้าร้านนะครับกุ้งก้ามกามตัวใหญ่ราคาถูกไม่มีคนจอดซื้อขับไปอีกเจออีร้านหนึ่งกุ้งก้ามกามตัวใหญ่ราคาถูกน้ำจิ้มรสเด็ดพเพิ่มมานะครับก็มกมกมมไม่มีคนจอดซือ้อขับไปเอีกเจออีกร้าใหญ่รานึ่งกุ้งเดิมก็ไมม่ีจซื้อ แต่มีอยู่ร้านหนึ่งครับคนมันจอดซื้อเต็มเลยผมเองยังต้องแวะรถไปจอดซื้อเพราะหน้าร้านมันเขียนเอาไว้ว่ากุ้งก้ามกามตัวใหญ่ราคาถูกร้านสุดท้ายเลยไปก็อดแดกแน่นอนคําถามถามว่าในตํารามีสอนนะครับเรื่องแบบ น, นี้ไม่มีแต่มาได้จากความรู้หรือความคิดครับความคิดถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตเปียนไปบรรยายต่อที่ด่านช้างหิวข้าวตลางวันมาก ไม่มีอะไรกินเห็นป้ายร้านปัญญาคือดปดสาขาสี่เอาล่ะ่ะแวะเข้าไปครับพอเข้าไปร้านปุ๊บเด็กผู้ชาเดินมาสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์จําผมได้ไหมครับเวลามีคนมาทักกันว่าจําของได้ไหมคุณจะตอบว่าไงจาได้อาใใจารย์คิดว่าใครวะผมปัญญาไงเอาปัญญาเฮ้ยปัญญาเฮ้ยมึงจบโยธามึงมึงขายเดือบิจโอ้อาจารย์ก็พอได้ครับขอบคุณอาจารย์ครับคุณอะไรนะเฮ้ยปัญญามึงเปิดสีสาขาเหรอะอาจารย์รู้ได้ไงผมเปิดสี่สาขา กูเห็นหน้าร้านมึงเขียนปัญญาก็จะเปิดสาขา4ีาปา้าเจ้านผมเปิดสาขาเดียวแล้วไมมึงเขียนสาขาสี่ผมเปิดสาขา4ี่ก่อนครับ <S <S ถ้าประสบความสําเร็จ <S 2> <S 2> ผมจะเปิดสามสองและหนึ่งเห็นไหมครับ <S 2> <S 2> ตำราเรียนไม่มีแต่มน่าจะความคิดไงคุณเห็นปัญญาก็จะเปิดสาขา4ี่มีสี่สาขาแสดงว่ามันทำไมครับอร่อยไงเห็นไหมครับเพราะนั้นที่บอกความรู้ไม่แต่เปนความคิดถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตเปียนไอ้ที่เรียนมาเป็นลำดับขั้นตอนแล้วเปิดเมื่ีใช้ไม่ได้นะครับ นักเรียนเวลาไปสอบสัมภาษณ์งานนะเวลาการสัมภ า, ภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนต้องจำไลนะเปิดประตู้าไปต้อง Good morning พอเขาถาม How are you นักเรียนต อ, อกว่า Fine thank you and you พอเขาบอก Sir David เราต้อนนะครับ Thank you นี่คือปันเด็นนี่คือสเต็ปท่องทุกที่ทั่วประเทศสอนเหมือนกันหมดชีวิต จ, จริงเป็นไงครับพอเปอิดประตูไปพิจาราทักเลย Where you live <Why? S 2> ไม่แ ม, ม morning, ่กูเรียนมา Good morning เอาไงดีวะ w a เกนฟิ l e a ร e Where you, live? Where you, live? Where you live? Oh, ์ยูริปแวร์ยูริปอ๋อไม่ได้ขึ้นริฟต์แต่ขึ้นบันไดนะคะแล้วแต่มึงเลยเพ็นไครับความคิดสำคัญที่สุดถ้าคิดได้ที่เป็นชุดเดียนเดี๋ยวผมขออนุาตเข้าตรงนี้เนียเพราะนั้นกาลังจะบอกว่าคนเรานะครับ เกจเฉลี่ยมมาด้ชีวิตความสำเร็จของคุณครับใบปริญญาบัตรที่คุณได้รับในแต่ละสาขาใบานั้นไม่มีตัวบ่งบอกว่าคุณทำงานได้เรเ่อยๆเพอร์เฟกนะครับใบนั้นเพียงเพียงก็ไปเบิกทางว่าคุณสามารถทํางานในตําแหน่งนั้นนั้นได้เท่านั้นพดัะนั้นกระบวนการคิดจึงสําคัญมากนักศึกษาครับบอกในร่างกายของคนเรามีขี้อยู่ประมาณ90้ขี้หากบุคคลใดมีเกิน5้ขี้ชีวิตไม่มาทางประสบความสาเร็จ90้ขี้มีอะไรบ้างผมจะบอกให้เป็นแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวคุณช่วยกัน จำถ้าใครจำได้แล้ววิเคราะห์ดูว่าตัวคุณมีเกินกว่า5ขี้หรือเปล่าถ้าใครมีเกิน5ขี้ชีวิตนี้หาทางจะพัฒนาที่จะประสบความเด็ดไปได้ยากมากครับเรามาดูกันครับ90ขี้มีอะไรบ้าง ขี้ลังแคขี้ใครขี้ไหลขี้เต่าขี้เล็บขี้เล่าขี้เลือยนขี้บนขี้ตาขี้หูขี้ตู่ขี้คนขี้เกลียดขี้คนขี้กากขี้กันขี้โกรธขี้โกงขี้กงขี้เก๊กขี้รักขี้เหล็กขี้รือขี้ฝันขี้หลงขี้ลืมขี้ดืมขี้ฝันขี้แยขี้ยันขี้ยุขี้ยาขี้ปดขี้โป้ขี้โม้ขี้มือขี้เดืดขี้ดื้อขี้ตื้อขี้ค้าขี้กบขี้เล่ขี้เมยขี้หมาขี้เล็กขี้ลาขี้บ้าขี้บอขี้ตื่นขี้ตีนขี้ดินขี้เท่าขี้ฝุ่นขี้เสาขี้เหงาขี้ขอขี้จุ๊กขี้หยบขี้ยก ที่หนาวีนอนที่สอนที้ไอขี้เป็นรางวัลขี้เป็นดันขี้ประจบขี้หลีขี้หลบขี้คนตดหายขี้ไม่ให้มาแดกขี้อตายขี้เนื้อไหลหล่อขี้แต่ขี้จุบเบีคุณยังเงียบอยู่เหรอครับมันต้องตบมือแล้วครับความรู้ไม่ต่าจากความคิดถามเราเรียนก็จะเป็นจะตายสุดท้ายทำไมครับถ้าพัฒนาแอปพลายความรู้ไม่เป็นเนี่ยหายนะเกิดทันทีเลยครับสแควร์รุเก้าเท่ากับเท่าไรครับฮัลโหล อย่เพิ่งวางสายผมนะครับสแวร์ลูก้าเท่ากันะครับสแสแวร์ลุ16ิบหเทาครับ 4. ่ท่องกันจะไปตายตอนเรียนท่องจะมันจะตายล็อกดิฟอินดิเกตท่องจะมันจะตายชีวิตจริงใช่เลยไหมครับป้าซื้อก๋วยเตี๋ยวสแวร์ลุตซื้อส้อมสแวร์ลุ16ส่วน4ภพายอากำลัง2สองไม่ใช่เลยเลยแต่เรียนจะเป็นจะตายนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอครับก่อนจะจบเนี่ยค้นหาตัวเองครับคุณมีศักยภาพด้านไหน มันยังเป็นต้องทํางานให้ตรงสาขาที่เรียนถ้าใจคุณไม่รักมันมีความสุขหรอกครับไอการที่บังคับให้เรียนให้จบในสาขาที่ไม่รักมันบังคับได้เพราะมันแค่สีปีแต่คุณจะบังคับให้ใจทํางานไปตลอดชีวิตนในสิ่งที่คุณไม่รักคุณทําได้ไหมนะ่ะคุณทนอยู่กับสิ่งที่ไม่รักไปตลอดชีวิตคุณทนได้ไหมทนไม่ได้เพราะนั้นต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่ารักอะไรชอบอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงบ่าเน้นที่ความคิดคนเราเริ่มต้นที่ความคิดคิด บ, บ่อยๆกลายเป็น การกระทากระทำไม่บ่อยแกเป็นนิสัยและ น, นิสัยส่งผลถึงตาชีวิตคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตด้วยการปรับความคิดถ้าคิดได้คิดเป็นชีวิตเปลี่ยนเนี่ยมัว ก, กันน็อกไว้เพื่ออะไรหอยแวตนาข้าหน้ารถไม่เข้าใจาชีวิตไม่เข้าใจายอย่าบอกความคิดสําคัญมากเห็นไหมครับเรามาถึงยุคนี้ได้ไงยุคที่กาแฟหนึ่งแก้วแพงกว่าข้าวหนึ่งจานคนไทยกินข้าวคนทั้งประเทศคนที่รวยสุดน่าจะเป็นชาวนาแต่ถ้าจะนายแม่งจนเลยข้าวเกลียดหนึ่งมีกี่กิโลครับ สามารถส่งคนตอบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับข้าวเควียนวนึ่งกี่กิโลหนึ่งพันกิโลรู้ไหมตอนนี้ข้าวเกรียนแล้วเท่าไรครับเจ็ดพันกว่าบาทเฉลี่ยแล้วกิโลละกี่บาทเจ็ 7, บาทกาแฟกิโลละสามหมื่นห้ากาแฟที่แพงที่สุดในโลกนี้คือกาแฟอะไรรู้ไหมครับขี้ช้างกิโลละสามหมืห้าเห็นหรือยังยังทำนาอยู่อ่ะจบปุ๊บไปทํากาแฟขี้ช้างขายผมเอาเทคนิคการทํากาแฟขี้ช้างมาฝากพวกเราครับหลักการไงครับ เก็บเงินสักก้อนหนึ่งไปซื้อช้างที่ลินมาเอาตัวลเล็กๆตัวน่แสนกว่าบาทได้ช้างมาเอาเม็ดกาแฟผสมอาหารช้างให้ช้างกินเม็ดกาแฟมันแข็งมันย่อยไม่ได้กินกี่เม็ดออกเท่านั้นเม็ดหน้าที่คุณนั่งภาวนาอย่างเยอะตื่นเช้ามาให้ช้างขี้เยอะๆ เ, เมื่อช้างขี้มาทําครับหน้าที่คุณคือนั่งบีขี้ช้างครับไปหาเม็ดกาแฟนั่งบีขี้ช้างไปหาเม็ดกาแฟถ้าต้องการลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องใส่ถุงมือครับเซฟคอร์ประหยัดค่าใช้จ่ายผมจะสอนเรื่องหลักการบริหารชกคู่ไปด้วยได้ได้เม็ดกาแฟมาล้าง ล้างเสร็จทาไมครับตากตากเสร็จบดบทเสร็จชงชงเสร็จแดกักศึกษาครับช่วยตอบผมหน่อยเรากินกาแฟแก้อะไรครับขอดังๆเลยให้กับหลังคาวตื่นก็คือไปเลยเรากินกาแฟแก้อะไรแก้ง่วงแก้วแรกกินตอนไหนมึงเพิ่งตื่น นอนมาทั้งคืนเลยนอนตั้งแต่สองทุมตื่นมาหกโมงเชาตื่นมากินกาแฟกระเด็นใจไปนู่นไปเอาความคิดอย่างไหนไอ้น้องพี่ถึงได้บอกไงโชคดีมากที่เราเจอกันวันนี้แต่โชคร้ายที่เราเจอกันเช้าไปถ้าคุณเจอผมตอนวันมาถมประเทศครับคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตมากกว่า น, นี้ครับคนเด็กไทยสู้ชาวต่างชาติได้แต่เด็กไทยขาดเป้าหมายบางคนมาเรียนนะครับอาจารย์ครับมีเลขบัญชีไม่มีคำนวณภาษาอังกฤษไม่ชอบ ท้องจํำก็ไม่เอาอะไรก็ได้ที่ง่ายๆหนูเลี้ยงควายลูกเดี๋ยวสมัครงานยังมีน่ยสมัครงานไม่เคยดูศักยภาพความสามารถของตัวเองเลยต้องถามนะยีเงินเดือนเท่าไหร่อะมึงทําอะไรได้บ้างอะไทยเอกสารมีความเชี่ยวชาญในเรารซื้อข้ากล่องแกะผู้บริหารแล้วแต่มึงเลยปฏิพันธ์ในที่สําคัญมากเชื <reco Christ. S 2> ่อผมเชื่อผมครับเด็กผมไปสมัครงานเนี่ยไปสมัครงานมาแรก เป็นวิศวกรโทรสับไปที่ห้องค น, คนงานเอธุราการเลยลุงขอกาแฟแก้วหนึง่งลุงรับมามนี่ไม่ใช่ห้องธุราการไม่ใช่ได้ไงอ่ะก็พี่ให้เบอร์นี้มาอย่ามวลีรอลุงผ ม, มอยากกินกาแฟง่วงขอกาแฟแก้วหนึ่งด้วนี่บอกไม่ใช่ห้องธุราการทําไมไม่ใช่ล่ะเขาให้เบอร์มานี้ยมึงรู้ไหมกูเป็นใครจะไม่รู้ได้ไงล่ะลุงเป็นใครล่ะกูเจ้าของบริษัทด้วยและเด็กผมก็จะย้อนถามแล้วลุงรู้ไหมผมเป็นใครกูจะรู้ได้ไงล่ะงั้นก็โชคดีของกูแล้วล่ะ เห็นไหมถ้าคนไม่เป็นปอดแหกบอกชื่อไปถูกไล่ออกอ่ะนี่ความรู้หรือความคิดความคิดไงรู้จักไหมครับบุหรี่มีประโยชน์ต่อร่างกายไหมไม่ไม่มีมแต่บุหรี่ขายดีมากในกลุ่มนักศึกษาครับสังเกตได้ถ้าผมไปตรวจมาตฐานการศึกษาที่ไหนนะครับผมไม่ต้องไปดูเรื่องอระบบแผนการสอนเพราะมันเป็นเปเปอร์เขียนนี่แค่เขียนได้ผมเข้าไปดูในห้องน้ําก่อนเลยถ้าห้องน้ำมาหาลาัยไหนไม่มีก้นบุหรี่อยู่นั้นสุดยอดห้องน้ําที่ไหนสะอาดถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วผมมาห้องน้ําที่นี่หาก้นบุหรี่ไม่เจอเลยครับ เข้าห้องน้ําหญิงเข้าผิดป้ายไม่มองไม่เห็นบุหรี่ไม่มีร่างกายเห็นคนสูบบุหรี่หน้าตามันเครียดจะตายหามีความสุขไหมดูบุหรี่อะแล้วสูบบุหรี่หน้าตาเป็นยงครับหน้ามึงเครียดมีใครสูบแล้วมีความสุขมัง้งไม่มีแต่มึงก็สูบไงแล้วนี่คือความสิ้นครับคุณด้วยครับพออยาสูบเผยขึ้นภาษีบุหรี่ทำยอดขายลดสามเรซน็นตายได้วูบเดือนละพันล้านเลงออกตัวใหม่สีสิบาทเจอะฐานลากเอา้า ขึ้นภาษีบุหรีเพื่อเป็นสินค้าฟ่้เฟยเพื่อมาตรการให้คนสูบราคาได้แพงจะมีซื้อสูบแต่สื่อจะออกผิดพันธุ์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายคิดได้ไงนี่คือประเทศไทยจริงไหมครับคําถามพวกเราเราเคยจัดโครงการปลูกป่าไหมครับฮัลโหลเราเคยจัดโครงการปลูกป่าไหมเคยทุกสถาบันจัดโครงการปลูกป่าหมดเลยแต่ผลการสํารวจของกรมไม้รู้ไหมล่ะคุณครับป่าไม้ทำไมไมเพิ่มขึ้นตามจำนคนครั้งที่เราปลูกละ่ะกับลดลงทุกปี เพราะเราทํากันแต่โครงการปลูกป่าแต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเลยไม่เคมีสถาบันไหนเลยจัดโครงการดูแลต้นไม้หลังการปลูกอะคุณนึกจริงไหมจริงผมกําลังจะทําโครงการในมหลาลัยผมจะออกกฎระเบียบให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าใหม่ปลูกต้นไม้คนละสิบต้นพันคนก็หมื่นต้นแล้วหน้าที่ของนักศึกษาคือคุณดูแลต้นไม้ที่คุณปลูกตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสถ้าต้นไม้าตายปรับไม่ผ่านกิจกรรม แล้เชื่อไหมครับต้นไม้ที่คุณปลูกไม่ต้องไปไกลคุณปลูกในมหาลัยนี่นะครับมันจะกลายเป็นป่าชุมชนย่อมย่อ ม, มหาสะดำไปปล่อยไม่ต้องไปล่าไกลแล้วมันจะกลายเป็นมอนดกทางความรู้สึกลูกหลานคุณมาเรียนแล้วเขียนชื่อพี่ต้นไม้แล้วใครปลูกไว้ไม่แบบทาวลลูกหลานคุณเรียนเฮ้ยนี่ไงพ่อคุณปลูกไว้มันจะเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกมากแล้วโรงมหาลายัยคุณก็จะมีป่ามากมายไก่กองเกิดขึ้น เดินกับแฟนในทุ่งป่าเสือฆ่าไปแดงเห็นไหมครับคุณไม่ต้องไปสร้างป่าใครสร้างสิ่งนี้อยู่ใกล้ๆนึครับเราหกเรเหินไปไกลนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่คือประเทศไทยที่บอกความคิดสําคัญมากผมไปบรรยาที่จังหวัดพิศนุโลกพอผ่านอำเภอวังทองโดนจับความเร็วผมขับไปร้อยสิประคอไม่เกินร้อยิบโดนจับความเร็วที่เก้าสิบอ้าตกโรงมีนเอาเก้าสิบะผมขนาดที่ขับไปร้อยสิบมีบิ๊กไบคกลุ่มมีไปแมงแซงเหมือนไปปู่แซงแบบขาดเข้าใจคําว่าแซงแบบขาดไหมครับ คือผมร้อบไอ้บ้านนั้นไม่ต่ำกว่าร้อยปบะแต่พอผมไปเสียเงินค่าใบสั่งบิ๊กไบค์ไม่โดนจับความเร็วผมโดนจับความเร็วคําถามถามว่าทําไมผมโดนจับความเร็วแล้วบิ๊กไบค์ไม่โดนจับความเร็วผมจะรอจังหวะจะได้คําตอบเหตุผลมาตรฐานกฎหมายเหมือนกันครับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดความเร็วเหมือนกัน ถ้าเร็วเกินนี้ก็โดนจับกันแต่บิ๊กไบค์ไม่โดนจับมาเร็วเพราะอะไรไหมครับเพราะบิ๊กไบค์แม่งทะเบียนรถอยู่ด้านหลังเวลาจับมาเร็วมันฟ้องทะเบียนรถนหน้าบิ๊กไบค์ทะเบียนรถอยู่ด้านหลังกล้องหันไม่ทันนี่ไงมันึกไม่ผิดนี่คือประเทศไทยมันไม่คิดไม่ได้ไงผมคิดง่ายๆไม่ต้องเอาตำรวจไปยืนต้้อองงกลไตั้งกล้องหาเสือรถเสือดายดงบประมาณ ไปออกกฎหมายบังคับโรงงานเลยครับห้ามความเร็วก็ร้อยย่สิบเมื่อมึงผลิตรถยนมาบังคับความเร็วเลยห้ามเกินร้อยี่สิบจบไหมจบเลยไปหานายกกันไหม <c oughs> คุยเรื่องเนี้ต้องไหมครับวันเด็กแข่งชาติเนี่ยอะไรกันนะักหนานกะับคำขฝัญเนี่ยแทนที่เด็กจะเที่ยวอยู่ในความสุขต้องนั่งเครียดกับการท่องคําฝันเพื่อพรุ่งนี้จะได้ไปตอบเอาบนนาทีว่าคำํำฝันเด็กเกินแล้วได้สมุดบันเลงหนึ่ง <c oughs> คยดตายหาเลยเพื่ออะไรอะ่ะแล้วท่องคําฝันได้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงอะไรไหม เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคุณจาคําฝันมันเด็กปีนี้ได้ไหมปีที่แล้วคํามฝันมันเด็กว่าไงครับทําไมรู้อ่ะเยี่ยมนี่ไงเอามาให้ข้างหลังยังไม่ไขว้าเลยข้างหลังยังงออะไรวะเชื่อไหมครับอะไรก็ตามถ้ามันโดนใจนะครับนักศึกษาครับมันไม่ต้องบังคับมันจะทําได้เองครับทํำอะไรถ้ามันโดนใจมันจะจําได้เองผมจะบอกคําฝันมันเด็กเป็นหนึ่งคํามฝันเชื่อไหมครับความฝันเนี้ยตั้งมาตั้งแต่ปี2516ทุกคนในห้องเนี้ยยังไม่ตายจากชาติที่แล้วเลย แต่คุณสามารถท่องคำฝันนี้ได้เพราะมันโดนใจไม่เชื่อผมจะไปสูตรให้นดูเดี๋ยวพอผมพูดคำฝันมาหนึ่งวัทุกคนช่วยกันต่อครับคุณสามารถต่อได้ตั้งแต่2116ครับพร้อมนะครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเห็นไหมทำไมคุณต่อได้เพราะมันโดนนุ่มเพราะมันโดนใจไง เพรา ะ, ะนั้นอาจารย์กำลังชี้ไมเห็นว่าอะไรก็ตามถ้าทําแล้วมันโดนใจมันจะจํายาวๆเลือกเรียนเลือกเดินในสาขาที่มันโดนใจเราทํางานทํางานในสิ่งที่มันโดนใจเราแล้วคุณจะประสบผลคุณจริงไหมนี่ไงที่บอกความคิดสําคัญที่สุดอะไรก็นนะัะกันะกนสิบี่กุมภาพันธ์ผู้หญิงบางคนบอกผู้หญิงทุกวันนี้สิ้นคิดเยอะมากผู้หญิงทุกคนผู้หญิงหลายคนตายในวันนันท اي เหตุผลจากงอนแฟนเพราะแฟนไม่ซื้อดอกกุหลาบให้องอนสมองส่วนไหนคิดไม่ได้ดกุหลาบแล้วฆ่าตัวตายอะ่ะ ถ้าิว่าดอกกุหลาบคือทุกสิ่งทุกอย่างของความรักมึงไม่แต่งงานยก็ของสวนกุหลาบไปผมไม่เคยซื้อกุหลาบให้แฟนบอกก่อนผมมีแฟนแล้วนะครับผีหลายหลายคนจ้องผมตาประกายเดี๋ยวรู้ความจริงก็จะผิดหวังผมไม่เคยซื้อกุหลาบให้แฟนรู้ไหมผมทําไงสิบี่กุมภาพันธ์ผมตื่นแต่เช้าผมเดินไปในตลาดสุดผมซื้อปลาท้องโกมาหนึ่งตัวพอแฟนตื่นนอนขึ้นมาผมยื่นปลาท้องโกให้แฟนแล้วบอกกับเธอว่าเพราะเราคู่กัน บาเดียวเห็นไหมครับดอกกุหลาบแม่งยี่สิบสาสิสบเป็นร้อยช่อเป็นพันเพื่ออะไรเพื่ออะไรผมถามมาความรักที่หงยั่งยืนได้อยู่ที่ดอกกุหลาบหรืออยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นให้ใจกันดีกว่าให้สิ่งของดีไหมครับนี่ไงเพราะฉะนั้นความคิดสําคัญมากเพราะนั้นตอไปนี้มหาราชจักรพดิกบสี่กุมภาพันธ์ปีหน้าบอกลูกน้องเลยไม่ต้องซื้อดอกกุหลาบ เรียนทาน้นา ก, กรารมผจนัดการากรืเยนทา้าออกแบบคุณทอดปลาทังโก ร, ร, รูปหัวใจเดครับปลาทงโกทําไมต้องเป็นแป้งของอันเรเรียงชิด ก, กันคุณเปลี่ยนแนวคลิปคิดใหม่ดปลาท้งโกรรไปรูปหัวใจปลาทั้งโก ร, รไปรูปก ร, รมเทพปลาทั้ทงโกรรูปดอกกุหลาบทำมนบล็อกไว้แล้วไปทอดเนี่คุณปลา ท, ทั้งโกรูปหัวใจขายได้ไหมได้ไงไป ร, รูป ก, ก ร, รมเทพขายได้ไหมทาสิเพราะนั้นต่อไปนี้ส4กุมาพันปีหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาของเราจะเต็มไปด้วยปลาทั้งโกไขมันขึ้น เห็นไหมครับความคิดสำคัญที่สุดนี่อีกหนึ่งตัวที่ทำลายความพัฒนาของคุณครับวัฒนังคมไทยเป็นองมการสิ้นคิดเรื่องแบบนี้ผมบอกครับมือถือผมอยากให้ระบบ 4G ไม่งร่มนะทำไมกล้าพูดนะครับเพราะระบบเทคนิค ท, ทันสมัยทำให้คนไทยงอมแงมเป็นลอกจิตอ่อนๆกับโทรศพัพท์แล้วพัฒนาสมองพัฒนาไปได้ช้ามากติดจะโทรศัพท์ตื่นนอนมาสิ่งแรกคุณทาอะไรครับ หยิบมือถือก่อนเลยไม่ดูตั้นคืนตายหาแม่งร้อยบอกข้อความเปิดดูไม่มีเลยมีแต่สติ๊กเกอร์ว่าแล้วกูก็คอปจงต่อจะกินข้าวทีอย่าเพิ่งกินถ่ายรูปก่อนลงโซเชียลเพือเ่ออะไรอ่ะนอกจากสังคมก้มหน้ายังมีหนึ่งสังคมคือสังคมอะไรครับถ้าเป็นไปได้กรุณาปิดวิดีโอ น, นิดนึงนะครับเพราะภาพนี้เสี่ยงต่ออนาคตผมมากเลยสังคมเงยหนะ้าผมบอกก่อนนะครับเจ้าที่บันทึกภาพคุณอย่าเอาภาพนี้ไปเผยแพร่นะครับ ให้จบเฉพาะในนี้นะครับมีกี่แอปกูแต่งกันที่ตัวดำๆแต่งน้าขาวเป็นเกาหลีตัวจริงนี่เขมเลยนะครับคุยเรื่องโฟรไฟล์เพื่อนใช่มึงหรือว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่บอกความคิดสําคัญมากนะครับถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตเปลี่ยนนะครับเชื่อไหมโซเชียลทาให้เด็กไทยโง่ลงอ่ะผมมีคําถามถามคุณสามข้อถ้าคุณตอบผิดเกินกว่าสองข้อไม่สมควรอยู่บนผืนแผ่นดินไทย จริงๆเมพ่พิสูจน์กันสิ่งพูดจริงหรือเปล่าโซเชียลท้องถิ่นโง่ลงเชื่อข้อมูลผิดๆคําถามถามว่าผัดวันมากันพุ่งหน้าหรือหลังที่ถูกเรียนภาษาไทยไหมผัดวันมากันพุ่งหน้าหรือหลังขอดังๆหน้าหรือหลังเบามากให้ชัดเจนระหว่างหน้าหลังเอาใหม่ผัดวันมากันพุ่งหน้าหรือหลัง น่าสุดยอดมากครับนี่คือความภาคภูมิใจของราชพัฒของเราคําตอบคือตัวหลังวิ่งผัดไม่มียอดลิงผัดมีหยือผัดใบหรือผีใบหรือการเปลี่ยนแปลงใบผัดตัวนี้การเปลี่ยนแปลงหรือการคุกาคากันที่ความหมายเขาไม่ยอมผัดวางมันพุ่งไม่มีรอลิงแน่ใจนะว่าจบครับคต่อไปยากไประดับป .3 เอาปอ .2 มาถามพวกเรา ไหนเล่าเท้าความไม่ฟังเห็นดิเท้าวความหน้าหรือหลังมันจะมีแอบแฝดขี้โกงหน้าหรือหลังหงังไงกูกว่าถูกครึ่งเลยวะเท้าวความหน้าหรือหลังหลังเยี่ยมใครจะบ้าผิดซ้ำซ้อนก็สองข้อติดต่อกันขั้นตอนพือตัวหลังอาจารย์นี่มันส้นตีนหนึ่งครับใช่ เท้าตัวนี้คือสองความหมายจุดต่าสูงร้างการหรืจุดลำต้นส่วนเท้าตัวหน้าคือยศหรือตําแหน่งเท้าเทกควาสติเท้าสือนอนเท้าสือกันใช้เท้าตัวหน้าโอเคไหม <c oughs> เห็นหรื อ, อยังคําต่อไปง่ายกโคตรถ้าคุณผิดอีกนะครับถ้าคุณผิดอีกผมจะให้ที่การตั้งกรรมการสอบคุณวุธพวกเราเพราะคํานี้ง่ายโคตรออกมาก็กู้หน้าราชพัตน์ของเราเพื่อให้ตอบถูกพร้อมเพียงกันผัดไทยหน้าหรือหลังขอดังๆหน้าหรือหลังเบามากคุณไม่มั่นใจหน้าหรือหลัง หลังสุดยอดนี่คือความภาคภูมิใจของอะไรรัชพัฒน์รัชกรราชศีมาครับดูครับกูมาผิดงานเปล่านี่ปัดฉิมเปล่าไอ้น้องฟังนะผมเฉลยตำหลักขุนชักรมผมไม่ได้เฉลยผิดแม้ผมไม่เฉลยเอาฮาไม่เฉลยผิดด้วยถ้าผมเฉลยผิดแม้แต่ข้อเดียวถอดรองเท้าเสียงหน้าผมได้เลยเมื่อก่อนหน้าผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ มเมื่อกผมเฉลยผิดบ่อยมากไอ้น้องสิ่งที่น้องตอบว่าตัวหลังเน่ยน้องไม่ตอบจากองค์ความรู้ที่เรียนมานะครับนักึกษามไม่ได้ตอบจากองค์ความรู้ที่เรียนมาแต่สิ่งที่นักึกษาตอบตอบจากอะไรครับจากความเคยชินที่เห็นที่ร้านค้ามันเขียนแล้วก็จํำมามาตอบถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นจริงผัดไทยมียอยักษ์ครับตอบไปนี้เราชาวมหาลัยราชภัฏน์นครราชสีมาทุกคนไปกินผัดไทยร้านไหนถ้าไม่มียอยยักษ์ไม่กิน ต้องหาจุดเริ่มอาจารย์การอาชีพประเด็นเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทําอยู่บนฐานของความถูกต้องพระอาจารยเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนมาบางทีมันใช้ไม่ได้เลยไงถ้าเราไม่เข้าใจอย่างของแท้และจริงจังนี่คือเด็กไทยคุณภาพการศึกษาไทยครับอยู่อันดับแปดถามพวกคุณครับคุณจบประมาณไหนะคุณจบแบบไหนอ่ะบางคนเรียนแบบแผนขอการขอผ่านนะขอเอนะเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเด็กไทยชอบมั่ว ขอให้นผ่านไปด้วยไม่สนใจมาตรฐานตัวเองเลยจะมาเรียนเต็มห้องตอนไหนตอนวันปิดคอร์สเพื่อรอส่วนบุญอาจารย์อาจารย์ขอเต็งเตงโค้หนึ่งจริงๆไม่เชื่อดูนี่ครับโทษๆๆๆ โ, โ, โคำถามมะนาวผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกกอสิบสองขอสิบสี่อสิห้ามะนาวผลละห้าบาทซื้อสามผลข้อใดถูกกอสิบสองขอิบสี่อสิบห้าตอบดังๆคาตอบคือ้อ คำตอบคือข้อกอไก่สิบสองบาทกระโจทย์ถามข้อใดถูกไงเสืตอบซับแพงเลยสิบห้าโจดถามข้อใดถูกมึงตอบสิบห้าแพงสุ ด, สดอาจารย์กําลังชี้ไปเห็นไหมนี่คือการเรียนไงเวลาเรียนถ้าตอบสิบห้าครูแม่งด่ายันพ่อครับทำไมเธอโง่เ น, นี้ขอนพอ่อทำไมยังไม่โง่ไหนเลยอาจารย์กําลังชี้ไปเห็นว่า การศึกษาไทยสอนให้เด็กจำอย่างเดียวจำจำจำแต่สุดท้ายพอไปทำงานจริงประยุกต์ใช้ไม่ได้นักเรียนวันนี้เรื่องบุกลบเลขนะส้มโลละหบาทซื้อส้มห้าโลห้าโลเป็นเงินเท่าไหร่ยี่หบาทจ้าดีมากกลับไปบ้านรถขายเงาะขับผ่านหน้าบ้านเงาะมาแล้วจ้าโลละห้าบาทป้าเ อ, างอ้ง้อหโลป้าย้อนถามหนูเงาะโลละหบาทซื้อห้าโลเป็นเงินเท่าไหร่ลูกว้ายยังไม่เอากันน่ะทําไมล่ะครูยังไม่ได้สอนเรื่องเงาะสอนแต่เรื่องส้มอดกินเลยกูแย่จัง เห็นไหมครับเด็กไทยเป็นนีงครับออกสอบมาพลิกแพงหน่อยมึงทําไม่ได้อะเห็นไหมครั บ, รบเพรา ะ, ะนั้นความคิดสําคัญที่สุดคนไข้ป่วยไปหาหมอหมอให้ยาที่แรงมากมาสเม็ดบอกให้คนไข้กินครั้งละหนึ่งเม็ดตุกขึ้นชั่วโมงคำถามถามว่าเมื่อยามหมดใช้เวลากี่ชั่วโมงครับกับการกินยาสาเม็ดนี้กินครั้งละหนึ่งเม็ดตุกขึ้นชั่วโมงมียาสาเม็ดเอาเ <c oughs> ด็กหายไปไหนหมดแล้วกี่ชั่วโมงครับยาหมดชั่วโมงครึ่ง สุดยอดไปเอาความคิดนี้มาจากไหนคำตอบคือหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับการเรียนกับชีวิตจริงมันใช้ไม่ได้เลยคำตอบคือหนึ่งชั่วโมงทำไมหนึ่งชั่วโมงฟังครับนักเรียนผมกินเม็ดแรกตอนเที่ยงตรงเม็ดที่สองผมกินตอนไหนเที่ยงครึ่งเม็ดที่สามกินตอนไหนบ่ายโมงใช้เวลากี่ชั่วโมงยาหมดชั่วโมงเดียวเห็นไหครับเห็นไหมครับ เพราะการไม่ประยุกต์ใช้เพราะเราเรียนกันแบบท่องจําไงคําถามจงหา x อกลักษณ์เอกด้านประกอบมุมฉากพกกาลังสองถอดคนั่นคือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากจงหา x เ, เด็กไทยตอบอะไรครับจงหา x อ อ, อยู่นี่หาทำไมหาทำไมวะเออย่างเนี้ยจงหาคำตอบ1นึ่งส่วน side, เอนไซเท่าไรลกักการหาไซด์กดค่าไซด์รัแคนเด็กประเทศอื่นทําได้เด็กไทยบอกไม่ไม่มนา ย, ยากมาก ตัวเหมือนกันตัดกันได้ N เหมือน n ตัดกันเพราะฉนั้นเหลือ s i x แล้วแต่ออเจ้าเลยจงกระจายหลักการกจายคือหน้ากับน้งสองบวก2หน้าหลังบวกหลัง2กลางกระจายประเทศอื่นกระจายแบบนี้ครับเด็กไทยกระจายเงครับจงกระจายแม่งเขียนทางกันกระจายในการวงเล็บท้ายกระดาษเนื่องจากหน้ากระดาษอาจารย์แคบจนมาจึงกระจายได้เพียงเท่านี้ถ้าน่ากระดาษอาจารย์กว้างกว่านี้จะกระจายได้ห่างกว่านี้มึงยังอธิบายความโง่ของมึงอีก เวลาเรียนเด็กไม่เคยสนใจนะสังเกตตัวอะไรอย่มนะเวลาเรียนอาจารย์ให้จดไม่จดขอถ่ายเอกสารจากเพื่อนอย่างเดียววันจะสอบปุ๊บร้านถ่ายเอกสารคิวเรื่องยาวเหยียดอะ่ะคุณว่จริงไหมจริงนี่คือประเทศไทยเห็นเพื่อนเดินออกร้านถ่ายเอกสารวันสอบตะโกนสั่งเพื่อนดังลัง่นเฮ้ยเพื่อกูชุดนึงเพื่อนแม่งงงกูถ่ายบัตรประชาชนยื่นกองทุนมึงจะเอาไปทําไงวะคือเอาไว้ก่อนทุกความหมุนใจ ต่อไปถ้าเด็กแม่ควันส่วการเรียนห้องเรียนพิ่งแตเครื่องถ่ายเอกสารยิงยังพึ่งอเทคนโเน็ตยี่งเด็ย ว, ก, ยยายวการเรียนับอะไรเกิดขึ้นครับต่อไปบทสวดมนต์วนันที่ครูจะต้องเปลี่ยนใหม่จะเป็นแบบนี้ครับปาจิลาจาริยาฮุนตีกุนุตตรานุสสการข้าก็ประนบน้อมจาการบรรดาเครื่องถ่ายเอกสารอีกกั้งคลิปซีดีและวิดีโอทุกๆอันที่ทาให้ชันสอบผ่านมา อีกทั้งพ้องเพื่อนทุกทวนนาที่ให้รอกเกือบทุกวิชาหลอกกันหลอกจังมั่นจริงๆท่อนท้ายจะลงแบบนี้ครับปัญญาเลกเทไม่มีอะไรดีงโง่งี้เงเาดากดานทั้งปีจเจริญละเมึงตัวเบอือักศึกษาครับ มันกำลังจะผ่านไปแล้วหชั่วโมงที่ผมบรรยายตรงนี้นักศาว่าไวไหมช่วยตอบป็นดังไวไหมครับทําไมมันจึงไวครับเพราะเรามีความสุขกับสิ่งนี้อยู่ตรงหน้าไงนักศึกาครับนั้นตอบไปนี่นักศึกษาจะทํางานอย่างมีความสุขได้ต้องเลือกงานในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมันจึงมีความสุขครับเชื่อผมอย่าสนใจเงินเดือนครับสุดท้ายเงินไม่ใช่คำตอบที่สุดสำหรับชีวิตคุณครับใครก็ตามที่ทำงานต้องเงินเดือนสูงสูออกไม่จริงเลยเงินเดือนไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดความสุขของคนครับแต่ความสุขของคืออยู่ที่ใจครับ เงินไม่สิ่งสาคัญที่สุดครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อร่วม ง, งานเชื่อผมฟันทงทุกวันนี้ผมไม่มีเพื่อนเลยผมดูผมดูเวลาก่อนผมหมดหรือยังผมเกรงใจท่านอาจารย์ต้องอรอ11บเอมงสบอกีาจารย์ผมเหลือเวลา15นาทีนักศึกษาผมเหลือเวลา15นาทีจงตักดวงความสุขจากตัวผมให้ได้มากที่สุดครับ <c oughs> คุณอย่าหัวเรออนาะนานเวลาผมเวลาคุยถ้าคุณหัวเรออนาะนานมันจะกินเวลาผมว่ต้องหยุดจนกว่าคุณผมจะพูดได้จนกว่าคุณจะหยุดหัวเราะมเดหัวเราะยานะ คุณหัวร้อสั้นๆพอพูดปุ๊บฮ่าๆจบแล้วรอขำ ม, มุกต่อไปนะครับอันนี้ยากมากถ้านำลูกเกลอลูก1ึงทรงกลมละสมี3าเซนเมตรมาเจาะรูด้วยหลอกสวรานขนาดเส้นผ่านตรงกลาง2เซนติเมตรให้รูตรงกลางจงหาปริมาณลูกทุกนี้ผ่นหลังการเจาะรูแล้วยากยากยากเด็กจีนทำได้เด็กญี่ปุ่นทำได้เด็กอเมริก า, างังกฤษทาได้แต่ผิดเด็กไทยบอกโขหมูหมูหมทมาปเป็นอึ้งทั้งโลกอ่ะนี่คือคำตอบของเด็กไทยหลักการคือมันวาดรูปแปดเหลี่ยมหนึ่งูกโทษโ มันวาดรูปแปดเหลี่ยมเป็นหนึ่งรูปแล้วมันระบายทึบแล้วมันก็ตอบว่ามืดแปด้านเห็นไหมครับผมขอญาตข้ามเนื้อหาไปเลยนะครับบางส่วนขอญาตข้ามไปนะครับขอญาตข้ามไปเลยนะครับเพราะมีเวลาไม่เยอะมากนะครับอ่ะถ้าคิดเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมครับถ้าคิดเป็น ไอ้เรื่องเนี้ยมึงแก้ปัญหากันไม่เป็ม น, น่ยนักศึกษาครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงพลังงานในเรื่องของการมายายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานจำไปมายา ย, ายเรื่องพลังงานมาทั่วประเทศผมก็ลสงใส่าแคมเปอร์ดูไหมใช้เวลาประมาณร้อยปีกว่าจะย่อยสลายนะแล้วทุกวันนี้เด็กแม่งใช้แคมเปอร์ดูกันหมดโลกเราร้อนขึ้นร้อยแคมเปอร์ด้วยนะครับผมโดยดูโรงบอกเลิกใช้แคมเปอร์นะครับและใช้แบบนี้หลายคนในห้องนี้ผมว่าจะน่าจะสงสัยอะ่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอาจารย์แล้วถ้าเป็นเด็กหญิงทำไงง่ายมากครับคว่ำแก้วแล้ะอดินน้ํามันยาขอบ การกระชอออกข้างผมเองก็ใช้วิธีการนี้ครับคนเราพออายุมากขึ้นอายุสีอัพผมนันนำอาจามผู้ชายถ้าอายุสี่พอัพชอบตื่นมาเข้าน้าตื่นมาแล้วหลับยากคนอายุแกหรือไม่แกดูไตรดูที่ชอบตื่นดึกตื่นมาเข้าน้าตื่นมาแล้วหลับยากผมก็ใช้วิธีการนี้ครับแต่ผมต่างจากเด็กครับเด็กเวลามันเจาะมันเจาะเท่านี้ใช่มครับแต่เวลาผมเจาะผมเจาะขนาดเท่าปากแก้วครับก็ไม่รู้สินะรูธรรมดา วันนั้นฝนตกไงกางเกงในไม่แห้งก็นุ่งจงเกงธรรมดาขึ้ น, ว, นวิ่งขึ้นรถเมย์วิ่งแบบผมตีขาเขียวอะ่ะปวดขาไม่เป็นอาทิตย์อะ่ะไอเราก็ลืมไปเป็นไปหาหมอหมอเอกเตอร์เบอกว่าท่อนขาจานเหมือนโดนท่อนเหล็กฟาดอย่างแรงผมก็ไม่รู้เป็นไรนะถ้าคิดเป็นปัญหามไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ความคิดหลายหลายคนรายได้ต่ำแต่รถสุมซื้ออะไรก็แพงนักหนาะถ้าคิดเป็นปัญหาจ บ, จบง่าย คำถามคุณซื้อโทรศัพท์ราคาแพงๆอะ่ะคุณมีความสุขกับการได้โทรศัพทร์ราคาแพงไหมไม่มีมีแต่ความทุกข์กลัวหล่นกลัวหายกลัวพังกลัวเงินไม่มีเงินผ่อนถูกต้องไหมครับอาจารย์ซื้อโทรศัพท์มาซัามซุง 3, สามพัรับทุกสายที่โทรเข้าดีกว่าไอ้เครื่องส0 0 0มื่นวัตตุมึงไม่รับสายเพื่ออะไรอะ่ะเด็กบางคนโทรมาไม่ผมไม่รับมันแสบยิงมามันไม่มีตังมันยิงมาหาผมผมเป็นครูบาอาจารย์ไม่เคยเอาเปรียบเด็กผมยิงกับแต่ดูคน้อบมันกันเราใครจะใจแข็งว่ากัน นะครับถ้าคิดเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับหลายคนเป็คนสิ้นคิดตั้งกบบนนระบวนการเปลี่ยนชื่อเห็นไหมครับคิดได้ไงเปลี่ยนชื่อเห็นเด็กทุกวันนี้ชื่อปัญญาอ่อนมากนะน้องเอแคน้องลิลลี่น้องนินนี่น้องยูฟ่าน้องโยบผมถามเด็กชื่อลิลลี่นี่น่ารักไหมครับน่ารักนึกถึงตอนลิลลี่มันอายุตั้งเก้าปีอะไรเกิดขึ้นนะหนูไปหาคุณชวดก็ลูกคุณชวดชื่ออะไรเขาคุณชวดลิลลี่นั่งแล้วหลงลืมนั่งเล่นขี้บ้านลิลลี่คิดไม่เป็นเมื่อก่อนเวล า, าตั้งชื่อเอาชื่อพ่อ จำไว้ครับพ่อแม่เป็นสืบพันธของลูกพ่อแม่ตั้งชื่อมาสุดยอดแล้วเลี้ยงดูมาตั้งเล็กจนโตคุณกับไม่เชื่อพ่อแม่ใครก็ไม่เคยเลี้ยงดูคุณมาเลยให้เปลี่ยนชื่อคุณกลับไปเชื่อมันคิดได้ไงมันช่วยกันตั้งชื่อครับแม่ชื่อสุดาพ่อชื่อชัตชายลูกออกมาเป็นผู้ชายชื่ออะไรดีครับชื่ออะไรครับดังๆเลยชื่ออะไรเยี่ยมคุณก็ตั้งกันได้ไม่ต้องไปหามาดูใครจะไปจะอ่อนชื่อดาชายคุณก็ตั้งกันได้เห็นไหมครับไม่ต้องไปหามาดูนะครับแม่ชื่ออาลีพพ่่่ออออออชชืืรรรศัักกกดิ์ลููมาเป็นผ้หญงะไีคบ อาพรหรือใครจะชื่อรีซักแล้วเวงดีพาบอกว่านี่คือชื่อเป็นการลักกินีต้องเปลี่ยนการลักินีกับผีนี่พ่อและแม่เราถูกต้องไหมครับนี่ไงเริ่มแตกบทการคิดเลยไงนะครับแม่ชื่ออักษรพ่อชื่อปีดาช่วยกันไอ้น้อง แม่ชื่ออับศรพ่อชื่อปีดาลูกออกมาเป็นผู้ชายชื่อแล้วแต่มึงเลยสอนรดาได้ไหมครับได้นี่ไงเพราะนั้นอย่าจากดตายตัวได้ไหมครับนักศึกษาครับอาจารย์จะให้เคล็ดลับไปครับคนจะมีความสำเร็จในชีวิได้ให้สาเลือกตามภาพทึกษาชอบนักศึกษาชอบภาพไหนนักศึกษาเลือกภาพนั้นมาแล้วภาพนั้นจะอนความเป็นตัวตนของมา แล้วผมจะบอกว่าคุณจะประสบความสเร็จหรือไม่ด้วยหลักจิตวิทยาการดูภาพตามที่คุณชอบไม่ต้องเลือกตามหลักการเอาตามควชอบครับคุณชอบภาพไหนคุณจําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนมาถามเ ล, เลือกไว้นะครับหนึ่งหรือสองเลือกไว้หนึ่งหรือสองที่คุณต้องการหนึ่งหรือสองที่คุณชอบเลือกไว้ครับเลือกไว้เลยหนึ่งหรือสองที่คุณชอบโทษหนึ่งหรือสองจำไว้หนึ่งหรือสอง หนึ่งหรือสองที่กูเลือกจำไว้อ่ะดี่ย้อน ม, มาดูกันใครคิดว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้จะต้องชอบภาพอะไรครับใครชอบภาพที่หนึ่งยกมือมมใครชอบที่สองเลยพวกที่มายกคืออะไรคือเราดูความหายนะของเพื่อน <laughs> พอฉนเฉลยผิดนะกูว่าแล้วสมน้ำมือไม่เข็ดเหลือแต่ผัดไทยแล้วว่า ล, ลังเหนียะครับคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคตได้เราต้องเป็นบุคคลดังภาพที่หนึ่งครับ พบภาพที่หนึ่งเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำแบบทุ่มเทสิบก้าจุดนยหนึ่งทุ่มทุ่มเทต้องทุ่มเทต่อการงานหน้าที่นะครับคนจะประสบความเด็ดได้ต้องเป็นคนดังภาพที่หนึ่งหรือสองใครเลือกภาพสองยกมือเลือกสูงสูงยกสูงและคนที่ยกเลือกภาพสองจำครับคุณไม่มีทางประสบความเด็ดได้ชิดเพราะคุณเป็นคนที่ทำมาแล้วชอบทาแบบ ย่อทอ้อภาพที่สองย่อท้อแต่ภาพที่หนึ่งทำไมครับขยายทอ้อเพราะฉนั้นเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคจงอย่า ย, ย่อท้อแต่ขอให้เราทําไมขยายทอ้อคงไม่ต้องทำมาหาแดกครับนั่งท้อทั้งวันนะขยายทอ้อไอ้นี่หนักกว่าย่อท้ออีกจงอย่า ย, ย่อท้อกับความยากลําบากต้องขยันนุ่ง ม, มั่นและคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องไปคนบุคคลดังภาพที่ใครเลือกภาพหนึ สุดยอดไอ้น้องมึงตัวต่อเป็นคนที่ทำไรไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะมึงทำงานแบบเบียดบงังเบียดบังเวลางานไปทําประโยชน์ส่วนตัวทํางานอยู่ก็ขายของออนไลน์ไม่มีทางประสบความสำเร็จคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นบุคคลทางภาพที่หนึ่งหรือสองใครเลือกภาพสองยกมือทั้งถุงสูงสูงสูงสูงฟังคําคำทํานายคุณเป็นคนที่ทํางานแบบ เร็วซ้ําซ้อนเร็วของแรกหนึ่งทำงานแบบไม่เข้าท่าความเร็วยังไม่สิ้นสุดคุณยังเร็วแบบไม่เอาอ้าวด้วยยังเร็วไม่พอยังมีเร็วต่อเนื่องทํางานแบบออกทะเลเร็วซ้าซ้อนคนจะประสบความไ ด, ได้ต้องเป็นคนนำภาพที่หนึ่งหรือสองใครเลือกภาพสองยกมือ อกสูงๆคุณเป็นคนไม่ดีเพราะมันยังคนไม่เข้ากันยังนอนก้นอยู่เห็นไหมครับพยัก้ามใบข้ามบาข้ามข้ามบาข้ามใบดูนี่ครับนักศึกษาผ ม, ผมโูทนเวลา อ, อีก6กนาทีอยู่ท้ายอาจารย์จะชี้ไปเห็นว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ความสำเร็จด้วยตัวเองครับ ถ้าคุณอยากประสบความเด็ดเป็นไปคุณเดินตามรอยคนที่ประสบความเร็จแล้วแล้วเรามาปรุงปัดปรุงพัฒนาแก้ไขจําไว้อย่างเงี้ยโลกไม่เคยจําบุคคลที่สองคุณต้องสร้างความเป็นหนึ่งคุณได้ได้รู้จกักเจ๊เกียวไหมครับใช่เจ๊เกียวไหมเจ๊จงกูเอาเจ๊เกียวมาเจ๊เกียวมาจากไหนวะรู้จกักเจ๊จงไหมครับเออเจ๊จงนี่ขายหมูทอดรวยไม่รู้เรื่อง กำไรวันละหมื่นห้ากำไรอย่างเดียวคนอื่นก็ขายหมูทอดเหมือนกันทำไมไม่รวยแต่ทาไมเจ๊จงรวยอ่ะราคาเจ๊จงก็ถูกกว่าด้วยแต่ทำไมเจ๊จงรว ย, เ, วว ย, เ, วยเพราะเจ๊จงขายความต่างไงนักศึกษาครับต่อไปนี้คุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีความต่างจากคนอื่นถ้าคุณเลียนแบบหืน่นคุณไม่มีทางประสบความสาเร็จนี่คือเรื่องจริงครับดูครับทําไมเจ๊จงรวยเจ๊จงขายหมูทอดเหมือนกันแต่หมูทอดของเขาคนกินเพียบอ่ะดูเลเขาคิวเราเพียบเพราะหมูทอดเนีเขาขายจาละสามสบห้าสี่สิบข้อดีคือข้าวตักไม่อัน้น มีผักมีผลไม้กินฟรีไม่อิ่มเติมข้าวได้นี่คือจุดขายของเขามันจึงรวยไม่รู้เรื่องรวยไงรวยไม่รู้เรื่องเล่าเอามั่งเดชเจจงขายหมูทอดข้าวไม่จํากัดเราขายหมูทอดหมูไม่จํากัดมไม่เจ้งให้มันรู้ไป ม, มันมีหมูทอดเราขายอะไรทอดอ่ะที่ดังที่ไม่มีใครเคยทําอ่ะ มาทอดเอาเลยสุดยอดนะรู้จักไหมครับนี่ครับเฟนฟายทอดลาดชีสสร้างอะไรเดือนละสี่ล้านแพ็กแบบนี้ยปดสิบเก้าสบาทผมไม่ซื้อกินทุกสาวคิวยาวร0อเมตรคนกินเฟนฟรายผมไปเอามันฝรั่งที่ไหนมาก็ได้มาทอดอะซื้อมาจากที่ไหนก็ได้แต่หัวใจมันคือคิดค้นสูตรชีทไงแล้วมันลาไม่รวยเลย ผมไม่ซืยกินชิสมันเหนียวมากซื้อที่ชั้นหนึ่งเดินก็ไปลูกอย่ชั้นหนึ่งผมเดินไปชั้นสองชียังไม่ขาดะเหนียวเราทำดิเฟนฟายลาดอะไรครับลาดลละจัดไปเห็นเราคิดสูตรดิครับเฟรนฟรายลดปลาละสับเฟรนฟรายลาดซอสกุนเชียงเฟนฟายลาดน้าใบกระท่อม หัวเราะดังๆกูว่าที่นี่ต้องมีแง่ๆเลยเห็นไหมครับสุดยอดนี่ครับเด็กดุมวัยยี่้าใช้ไอเดียพัฒนาสูตรหนังไก่ทอดสร้างรายเดือนละล้านต่อเดือนหนังไก่ทอดใครๆก็ขายทำไมไม่รวยอ่ะไอ้นี่ทำไมขายแล้วมันรวยอ่ะเพราะความต่างไงหนังไก่ของมันคนอื่นซื้อไปไม่กินแป๊บเดียวเหนียวหนังไก่ของมันครับสามวันยังกรอบอยู่เลยเขาใส่บอลแลกไม่เกี่ยวหนังไก่เขามีหลายรสไง บาร์บีคิวพิซซ่านะครับสไปซี่อะไรของเขานังไก่ท 1, อดหนึ่งก็ธรรมดาเค็มๆมันๆนังไก่มหีหลายหลักหลายรสนี่เราทำเราทำนียครับเราทำหนังอะไรทอดหนังควายหนังควายราดชิดแล้วแต่เลย <c oughs> กินเสร็จพอเลิ่มมาเด้อนี่ครับหญิงสาวคนนี้ครับขายโลตีสร้างกันได้กว่า100ล้านบาท คุณเคยไปยุตธรรมครับใครๆก็ขายผมขับรถยามเป็นสิบยปีก็เจอแต่คนแก่คนนี้ขายขายยงไงก็ไม่รวยผ่านไปกี่ครั้งก็เจอเป้าเนี้ยขายโรตีก็ทำไมไม่รวยแต่เธอขายได้สองปีทําไมรวยเป็นร้อยล้านอะ่ะเพราะความต่างไงเพราะความต่างใครๆก็ขาโรตีทําไมไม่รวยแต่ยายคนนี้ทําไมรวยครับเพิ่งจบใหม่ๆด้วยเพราะความคิดไงไม่เกี่ยวความรู้เลยเขาทําไงครับนี่ไงโรตีของเขาครับแป้งที่ห่อเนี่ยทำจากสีต่างๆคําจากใบเตย มีรสสตรอเบอรี่มีรสองุ่นมีรสแตงโมมีรสแอปเปิลมีรสชีส ต, ต่างๆที่แป้งหอนี่คือความต่างและดูแพ็เก็ตเขาครับสุดยอดนะครับนี่ไงส ว, ไสวยั้ยสวยนักท่องเที่ยวมาเห็นที่ยุดยาชวนไปลงทุนที่สิงคโปร์และมาเลย์รวยไม่รู้เรื่องแ ล, ล้วอาด i เรถตีหออะไรอะใบกระท่อมรตีห อ, อชาเกี๊ยวเฮ้ยมีฟังั่ะ มันอยู่ที่ความต่างครับนักศึกษาสาวโรงงานคนหนึ่งครับไม่เรียนหนังสือโดยใช้โซเชียลเราจำไว้ครับเรามีโซเชียลเราต้องใช้โซเชียลเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวเมื่อก่อนโฆษณาลงหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เสียงเงินเยอะนี้ไม่ต้องแนคะ่มีโซเชียลลงไปในไลน์ลงไปในเฟซลงไ ป, Facebook, งไปมันก็ดังคนดูติดตามเยอะมากมาผู้หญิงสาวโรง ง, งานครับทำงานวันละ350ร้าสบเธอโพสต์ลง Facebook เธอใครต้องการสั่งข้าวพอไปตองเธอข้าวเธอห่อใบตองข้าวหมูทอดผัดกะเพราไก่กระเทียมพริกไทยพอละ30บาท พอไปต้องไปขายเอาปริมาณเยอะๆคนโรงงานก็ชอบก็สั่งซื้อทางเฟซบุ๊กเชื่อไหมครับไปขายโรงงานเธอเธอยอมตื่นนอนไว้ตื่นนอนตีสเพื่อไปทำงาน6กโมงเช้าทบ้านตื่นนอนตี3เพื่อมาทำกับข้าวตามออเดอร์สั่งขายวันละ40พอเนะศศักษาครับ40พอได้42ออเดอร์40พอพอละ30บาทเป็นเงินเนาะนะครับยากไปหรือเปล่าครับ <laughs> 40พอห่อละ30บาท 1,200 บาทหากต้นทุนแล้ว600บาทเหลือ600บาทนี่คือกำไรต่อ ว, วัน600แล้วถ้าเธอขยันทํามากกว่านี้นะเห็นไหมครับคือช่องทางเขาห่อใบตองเราห่อใบอะไรนะครับแล้วแต่เลยเห็นไหมครับมันก็ทําได้อยู่ที่ความคิดไงถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตเปลี่ยนนี่ครับสองสามีภรยาขายน้ำเปล่งน้ำตะโมปั่นแก้ว50กว่าบาท สุดท้ายไปเดินตลาดนัดเห็นแตงโมล้าง ข, ข้างขายเหลือเลือซื้อแตงโมมาแล้วคิดพนาคว้านแตงโมแล้วเอาน้ำปั่นของเธอใส่ลูกรกะโบขายลูกละร3 0ยสบาทจากแก้วห้าสิบขายร3 0ยสาขายอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับเดือนละพันลูกเดือนละหมื่นลูกนักศึกษาเอาหนึ่งมคูณร้อยเอายีเอา 100, ยเดียวพอห0 0นคูรอนะครับหน่วยสรยพมื 0,000 ล้านเดือนละล้านขายแตงโมปั่น เลาเอาดีครับน้ำปั่นใส่อะไรครับอยบอกว่าใสายแบการท่อมอีกนะมึงเห็นไหมอยู่ที่ความคิดดูเข้าหมครับความคิดหรืความรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากพัฒนาตัวเองอย่ามีข้อแม้ว่ายว่าเรื่องใหญก็ตามถ้าอยากพัฒนาตัวเองอย่ามีข้อแม้ว่าไม่เรื่องก็ตามเหนื่อยเพราะมีเป้าหมายดีกว่าอยู่สบายแต่ไม่รู้อยู่ไปเพื่ออะไร <t> เด็กคนนี้ครับเกิดมาขาดครึ่งตัวพิการ เป็นไปเรียนลงจากภูเขาลงมาทุกวันวันละสี่ห้ากิโลมาเพื่ออะไรครับฝนตกฟ้าร้องก็ต้องทุกเนี่ยต้องใช้มือดันไม้แล้วตัวเองอยู่ในลูกบาศลงจากภูเขาลงมาขึ้นราบทุกวันวันละสี่ห้ากิโลฝนตกฟ้าร้องเธอก็ต้องมามาเพื่อมาเรียนหนังสือด้านล่างเธอรู้ว่าเธอพิการเรียนใปไม่รู้มีประโยชน์อะไรแต่เธอมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอไงเห็นไหมครับไม่เคยขาดเรียนเลยแม้แต่วันเดียวถามพวกเราครับบางคนอยากเรียนต้องบังคับให้พ่อแม่ออกรถให้ มีรถมยมีรถรับส่งคนนู้คนนี้มาส่งสบายแสนสบายเคยคิดไหมครับที่อยากที่อยากจะหยุดเรียนอยู่ในสายเลือดเลยครับถึงไหมครับเพราะฉะนั้งที่บอกว่าความรู้ไม่เกี่ยวฐานะไม่เกี่ยวอย่าอ้างว่าไม่ได้เรียนหนังสืออย่าอ้างว่าไม่เรียนเรียนไม่เก่งอย่าอ้างว่าพ่อแม่รักทาให้ชีวิตเป็นแบบนี้ไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวคุณเองคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตคุณเองได้ถ้าเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่ดีเราเลยไม่ดีพ่อแม่ไม่ไพ่อแม่เรียนไม่สูงเราเลยเรียนไม่เก่งไม่เกี่ยวเลยครับถ้าคุณคิดแบบนั้น คนที่เกิดในคุกก็ต้องติดคุกตลอดอี่ครับทูกต้องไหมครับพวกคุณเกิดในโรงพยาบาลทําไมคุณไม่ได้เป็นหมอเพราะอะไรอ่ะมันอยู่ที่การไฟฟ้าไงถูกต้องไหมครับผมกําลังจะดึงดึงดรามา่านี่ความรู้ไม่จสำคันต้อความคิดแม่ผมไม่เรียนหนังสือแม่ผมไม่เคยสอนให้ผมประหยัดผมไปหไหนผมต้องพูดสิ่งต่างๆนี้ครับผมเพิ่งเสียคุณแม่ไปเมื่อวันที่สิบสามพิายนที่ผ่านมา ผมอยากจะฝากบอกพวกเรานะครับถ้าพ่อแม่ขอร้องให้เราทําอะไรจงอย่าผลัดวันมากันพุ่งกับพ่อแม่เพราะคุณไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้พ่อแม่จะอยู่กับคุณหรือเปล่าวันที่13กุมภาพันธ์13พฤศจิกายนม่เป็นวันพฤหัสถ้าจาไม่ผิดนะครับแม่บอกมาผมขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยววันวันที่14จะรับแม่มามาขึ้นบ้านใหม่นะแม่บอกมารับแม่วันนี้เลย้ม่หน่ะ13บอกงานยุ่งไปเลผมติดบรญยายอยู่ที่ดมอลล์ยนนะไม่เป็นไรลูก ผมมารับเช้ามที่สิี่กันแม่รอก่อนวัสิบสามพอวันที่สิบสามตอนดึกพี่ชายถูกว่าแม่เสียนะเห็นไหมครับผมเกิดความสื่อมนี่คือสิ่งที่เราผัดประกันวันมรกันพุ่งกับพ่อกับแม่แล้วใครก็ตามที่ผัดวันมรกันพุ่งกับแม่คุณเชื่อเลยครับคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนที่ผมเป็นอยู่และผมบอกเลยครับไม่มีใครรักคุณจริงกับพ่อแม่นะครับหลายคนหมดอนาคตกับคนที่บอกว่ารักคุณคือกับแฟนกับคุณนู้นคนนี้ ดูที่ไม่สใจความรักที่พ่อแม่มีต่อคุณเลยใครก็ตามที่ทําดีกับพ่อแม่คุณไม่มีวันตกต่ําครับคุณทำงานเจ็ดเงินเล็กน้อยให้พ่อแม่เดือนละห้าเดือนละพันคุณเชื่อไหมครับคุณไม่มีวันตกต่ำและคุณไม่มีหางเดือดร้อนเรื่องการเงินเลยแต่ไทยก็ตามเดือดไทยก็ตามที่ทําให้พ่อแม่ต้องทุกข์ร้อนใจต่างๆไม่เคยหยิบยื่นเงินให้พ่อแม่มีจดเบียดบางพ่อแม่คุณจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตเชื่อผมฟันธงนี่คือเรื่องจริงครับคุณไม่ต้องไปใส่บาตรพระนะครับถ้าคุณไม่ทําให้แม่มีคคคคววาาามมมมสุุุขณณไไไไ่่่่่ต้้้้อออออองหหรรรีปถถยยพพะะเซืใแิน การทำบุญของพ่อแม่เป็นสิ่งประเสริฐสุดครับคุณเล่นไลน์วันละสองสามชั่วโมงคุณเคยส่งข้อความหาพ่อแม่ไหมเคยบอกรักพ่อแม่ผ่านไลน์ผ่านโซเชียลผ่านโทรศัพท์ไหมคุณบอกรักคนอื่นได้แต่ไม่เคยบอกไลน์บอกรักพ่อแม่ผ่านโทรศัพท์เพราคุณอายถ้าคุณอายครับบอกว่าคุณจะอายไปตลอดชีวิตและคุณจะไม่มีพ่อแม่ให้บอกรักอีกต่อไปเชื่อผมครับแม่ผมไม่เคยสอนผมไม่หยัดแม่ผมใส่ร อ, องเท้าจนพื้นโบหัเนี้ยผมซื้อให้ไกใหม่คู่ยี่ห้อหาดยี่ห้าบาทก็ไม่ใส่แกบอกว่าความสุขขอองแมม่่่่่่ยูททีีีใใจไชสนนต สุดยอดครับแล้วทําไมความสุขของเราต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพ ง, แงต้องซื้อโทรศัพท์ราคแพงต้องซื้อลวดระคางแพงกำเป็นความสุขไม่ใช่เลยคุณทําเพื่ออวดหน้ากันแล้วคนที่ลำบากคือพ่อแม่พ่อแม่ครับแม่ผมใส่รองเท้าจนพื้นขาดหูรองเท้างล่างขาดเป็นหรือ ท, ทิ้งแม่ผมไหมทิ้งดูไหมครับแม่ผมทำยังไงแม่ผมเอาตะปูเสียบครับใส่ได้อีกครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนแกนจะเสียต้องพาแกไปฉีดปัตยัก ตะปูทะลุทิ่มเทา้าค่ายาปัิยักษ์ 3,002 แพงกับารองเท้าอีกและเป็นคนแรกที่คิดระบบป้องกันรองเท้าหายได้แม่ผมไม่เรียนสือครับแต่สามารถคิดระบบป้องกันรองเท้าหายได้ไปงานบวชกันแต่งต่งจังหวัดทุกคนต้องถอดรองเท้าขึ้นบ้านขึ้นวัดคนดูรองเท้าหายแล้หยิบสลับดาแม่ผมรองเท้าไม่เคยหายผูดใระบบการป้องกันรองเท้าหายอันชาญฉลาดของแม่ผมสุดยอดมากครับรองเท้าแม่ผมไม่เคยหายแต่ปัญหาของแม่ผมคือลูกกุญแจหาไม่เจอโอเคนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับนักจับมีเวลาเพียงแค่น้อยนิดผมอยากจะบอกคุณว่าความรู้ไม่สำคเป็นงความคิดคุณมีเวลาอีกไม่มากนักสำหรับการพัฒนาตัวเองนะครับยิ่งอายุน้อยยิ่งต้องรีบกล้าตัดสินใจทําอะไรนะครับเพราะคุณมีเวลาแก้ตัวครับถ้าคุณปล่อยเวลาเนิ่นนานไปครับรู้ไหมครับอะไรขึ้นพออายุมากขึ้นโอกาสผิดพลาดมันไม่มีแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่กา้เริ่มต้นใหม่คุณอายุยังน้อยรีบลุยเลยครับเรามีโอกาสลุกได้อีกหลายๆครั้งขอเพียงว่าให้คุณลุกคนนั้นเองครับนักศึกษาครับผมขออนุญาตนิดหนึ่ อาจารย์ชื่อพศกิติศักดิ์ศาสตร์สอนที่หมหาวิทยาลัยเชียใหกรุงเทพนะครับพอดีทางบริษัทยูทีแกรดเชิญเข้ามาบรรยายให้กับพวกเราเสียดายเวลาเราน้อยไปเราเจอกันนะครับจะทําให้เราเกิดความคิดรู้สึกพวกา่าวิชาการกับความหลุกเันควบคู่กันได้เชื่อผมครับแต่เสียดายไงโชคดีมากที่เราเจอวันนี้แต่โชคร้ายที่เราเจอกันถามถ้าคุณเจอตอนวันกรุงเทพนะเราจะมีเป้าหมายในชีวิตนะ เสียดายเรามาเจอวันสุดท้ายที่ต้องเรียนอยู่ไงแต่ไม่เป็นไรครับยังขอเริ่มต้นใหม่ได้โอเคนะผมในฐานะของตัวแทนนักศาของมหาวิทยาลัยรายชพัฒนครราชสีมาต้องขอขอบคุณท่านวิทยกรเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาแบ ม, ามายายวันนี้ให้กับพวกเราได้ฟังสิ่งนี้อาจารย์ว่าให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งเรามีอะไรตอบแทนอาจารย์และกสิ่งที่ออกจากใจพวกเราขอพวกเราทุกคนราชพัฒน์นครราชสีมาปรบมือขอบคุณอาจารย์กิติศักดิ์ ครับและผมในฐานะของวิกรก็ต้องข อ, ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่เกียรติํรรมจัดดี d ูเกพัมาร่วมกิจกรรมพวกเราทุกคนหวังว่าโอกาสหน้าคงได้รับความเคารพจากท่านอาจารย์อีกครับหวังว่าเราคงจะพกใหม่ในโอกาสหน้าขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ